ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรักขีตาจารย์ชาวศีลังการรชนาะถึงพระพุทธญาณสิบสี่ได้ดกล่าวมหากรุณาสมาปฏิยานไปแล้ว ต่อไปนี้ก็จะเป็นปฏิสัมพิทาญาณสี่สำหรับปฏิสัมพิทาญาณสี่ก็คืออัตตปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทาเนรุติปฏิสัมพิทาปฏิพานปฏิสัมพิทาในปฏิสัมพิทาสี่นั้นนี้เป็นปฏิสัมพิทาญาณสี่คือทำห้าประการนี้คือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยก็ได้แก่ปัจจัยยุบันอย่างหนึ่ง วิปากจิตวิปากจิตแล้วก็กิริยาจิตพระนิพานอัดแห่งถ้อยคำที่กล่าวก็คืออัตกถาด้วยจัดเป็นอัตตปฏิสามพิธา้วก็สิ่งที่เกิดจากปัจจัยก็ได้แก่ปจัจจยยุบันนะความรู้ในปฏิจะสมุ ป, ปันธธรรมมีสังขารมีสังขารเป็นต้นความรู้ในทุก ความรู้ในนิโรธนะ น, นี่ก็เป็นพวกอัฏฐปฏิสัมภิธาทั้งนั้นส่วนธรรมห้าประการนี้ก็คือเหตุที่ยังผลให้บังเกิดก็ได้แก่ตัวปัจจัยอริยมรรคภาสิตกุศลและจิตอกุศลจิตจัดเป็นธรรมปฏิสัมภิธาภาสิตก็หมายถึงพระพุทธพจน์ความรู้ในปฏิจจสมุปปาดธรรมมีอวิชชาเป็นต้นความรู้ในสมุทยสัตว์แล้วก็ความรู้ในมรรคสัตว์ คนนี้ก็เป็นธรรมปฏิสัมพิทาสภาวะนิรุติในอัฏฐปฏิสัมพิทาและในธรรมปฏิสัมพิทานั้นท่านผู้ฉราดในนิรุติแสดงว่าเป็นนิรุติปฏิสัมพิทาก็คือสามารถใช้ภาษาในการสื่ออัฏฐปฏิสัมพิทาและธรรมปฏิสัมพิทาได้ยานของท่านผู้พิจารณาปฏิสัมพิทาสามอย่าง โดยกระทำยานเป็นอารมณ์ในยานณปฏิสัมพิทาเหล่านี้ท่านเรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาก็คือสามารถที่จะรู้มีปัญญาในการรู้ทั้งธรรมปฏิสัมพิทาอัธปิสัมพิทานิโรติปิสัมพิทาด้วยนันก็เป็นความแจ่มแจ้งเป็นปฏิภาณปฏิสัมพิทาอันนี้คือปฏิสัมพิทาสี่ ที่ชื่อว่ายาณวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดคือยานในปฏิจจสมุบาตแต่ละข้อในบรรดาปฏิจจสมุบาติสิบเอ็ดข้อที่ตั้งไว้เป็นตอนนั้นตั้งแต่ชรามรณะซึ่งเป็นองค์แห่งปฏิจจสมุบาทิสิบสองข้อมีอวิชชาเป็นต้นแบ่งเป็นข้อละเจ็ดข้อละเจ็ดรวมเป็นยาณวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดคือหนึ่งความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี 2. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 3. ความรู้ว่าเพราะชาติเป็น wow. ปัจจัยชราและมรณะจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีต 4. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีต 5. ความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคต หความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตเจ็ดความรู้ว่าธรรมะทิฏฐิญาณแม้นี้นั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาแปดความรู้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเก้ 9. ความรู้ว่าเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มี เศษความรู้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตสิบเอ็ดความรู้ว่าเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตสิบสองความรู้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตสิบสามความรู้ว่าเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตสิบสี่ความรู้ว่าธราามารมทิติยานแม้ น, มม น, นี้ น, น, น, นรรั้พพน มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาสิบห้าความรู้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีสิบหกความรู้ว่าเมื่ออ uh. ุปาทานไม่ม <of foods> <precious> ีพบจึงไม่มีสิบเจ็ดความรู้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตสิบแปดความรู้ว่าเมื่ออุปาทานไม่มีพบจึงไม่มี สิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตแม้ในอดีต19ความรู้ว่าพระอุปาทานเป็นปัจจัยจึงพบจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคต20ความรู <m ets> <m ets ้ว่าเมื่ออุปาทานไม่มีพบจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคต21ความรู้ว่าธรรมทิฏฐิญาณแม้นี้มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา 22. ความรู้ว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมียี่สิบสาความรู้ว่าเมื่อตันหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มียี่สิบสีความรู้ว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตยีห้าความรู้ว่าเมื่อตันหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตยี่หความรู้ว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคต ยี่สิบเจ็ดความรู้ว่าเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตยี่สิบแปดความรู้ว่าธรรมะทิฏฐิญาณแม้นี้นั้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดายี่สิบเก้าความรู้ว่าพระเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีสามสิบความรู้ว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มี สาอความรู้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตสามสิสองความรู้ว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตสาความรู้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคต34ความรู้ว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคต สารที 5, 5, says, well, ่หความรู้ว่าธรรมะิฏิญาณแม้นี้นั้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาสารทหความรู้ว่าเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีสารทเจความรู้ว่าเมื่อภาษาไม่มีเวทนาจึงไม่มีสารทปความรู้ว่าเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีต สาสิบเก้าความรู้ว่าเมื่อภาษาไม่มีเวทนาจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตสี่สิบความรู้ว่าเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตสี่สิบเอ็ดความรู้ว่าเมื่อภาษาไม่มีเวทนาจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตสี่สิบสองความรู้ว่าธรรมทิฏฐิญาณแม่นี้นั้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาสี่สิบสามความรู้ว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีส4สบสี่ความรู้ว่าเมื่อสรายตนะไม่มีภาษาจึงไม่มีส5สิบห้าความรู้ว่าเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีสิ้นการเนิ่นนานในอดีต้ใ น, ในอดีต สี่ิบความรู้ว่าเมื่อสราญตนะไม่มีภาษาจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตสีิเจ็ดความรู้ว่าพระสราญตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตสีิบแความรู้ว่าเมื่อสราญตนะไม่มีภาษาจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตสีเกความรู้ว่าธรรมะทิฏฐิญาณแม้นี้นั้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาห้าสิบความรู้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีห well, ้าสิบเอ็ดความรู้ว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีห้าสิบสองความรู้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีสิ้นการเน่นนานแม้ในอดีต ห้าสิบสามความรู้ว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตห้าสิบสี่ความรู้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตห้าสิบห้าความรู้ว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตห้าสิบหกความรู้ว่าตามมัทธิยานแม้นี้นั้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสืああ่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาห้าสิบเจ็ดความรู้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีห้าสิบแปดความรู้ว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีห้าสิบเก้าความรู้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีสิ้นการเนิ่นมาแม้ในอดีตหกสิบความรู้ว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มี ส, izes, สิ้นการเนิเ protein, en, ่นนานแม้ในอดีต61ความรู้ว่าเพราะวิญญาณไม่มีนามโลกจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคต62ความรู้ว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามโลกจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคต63ความรู้ว่าธรรมะทิฏฐิญาณแม้นี้นั้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา ห4สิบสี่ความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีห5สิบห้าความรู้ว like ่าเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มีหกสิบหกความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตหกสิบเจ็ดความรู้ว่าเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอดีตหกสิบปดความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาจึงมี สิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตหกสิบเก้าความรู้ว่าเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มีสิ้นการเนิ่นนานแม้ในอนาคตเจ็ดสิบความรู้ว่าธรรมะทิฏิญาณแม้นั้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเจ็ดสิบเอ็ดความรู้ว่าพระอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี เจ็ดสิบสองความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มีเจ็ดสิบสามแม้ในอดีตความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเจ็ดสิบสี่ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มีเจ็ดิบห้าแม้ในอนาคตความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเจ็ดิบหกความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี เจ็ดสบเจ็ดความรู้ว่าธรรมะทิฏฐิญาณแม้นี้นั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเหล่านี้เรียกว่าญาณวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าการุณาสมาบัติทุกทุกวันทั้งเย็นและเช้า ว, วันละสิบสองแสนโกรธครั้ง ทรงข้าวพระสมบัติก็ประมาณเท่านั้นเช่นกันนี้ชื่อว่ามหาวชิระยานที่สัญจรไปใ น, นยี่สิบสี่แสนโกดเป็นสิ่งที่ลึกล้ำละเอียดดึกซึ้งมากเลยนะพระพุทธเจา้าจะเจ้าเข้ามาหากรณาสมาบัติทุกทุกวันเลยทั้งเช้าทั้งเย็นเช้าก็แผ่ไปจากพระคันธุคดีไปจกนกระทั่งถึงนูน่นนะสุดขอบจักรวาลตอนเย็น แล้วก็จะแผ่จากสุดขอบจักรวาลนั้นเข้ามาถึงพระคันธโกดีนะใครมีอุปริสใสพอที่จะให้ได้ตัดรู้ก็พระพุทธเจ้าก็จะไปโกรดนะนอกจากนั้นก็พระองค์ก็ยังเข้าพระสมบัติ ด, ด้วยเท่ากันเลยก็คือสิบสองแสนโกรธครั้งสิบสองแสนโกรธครั้งนะเข้าปรินาสมาบัติสิบสองแสนโกรธครั้งเข้าพระลสมบัติสิบสองแสนโกรธครั้งก็เลยกลายเป็นยี่สิบสี่แสนโกรธอันนี้ชื่อว่าเป็น มหาวชิระญาณมหาวชิรญาณของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาดุดเพชรนาบุตรนาวิเชียนนะเมื่อจะพนนาเนื้อความแห่งปัญหาข้อนี้ว่าพุทธคุโนติโกโสคุณของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรพระไตรบิดกแม้ทั้งสิ้นย่อมไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เพียงนิดหน่อยสมดังคาที่ท่านกล่าวไว้ว่า แม้หากว่าพระพุทธเจ้าจะพึงตรัสพระตรัสนานาพระคุณของพระพุทธเจ้าโดยไม่ตรัสเรื่องอื่นตลอดกับกับพึงสิ้นไปในระยะเวลานา น, านแสนนานแต่พระคุณที่จะพึงพันนนาของพระพุทธเจ้าหาสิ้นไปไม่แสดงว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายมหาศาลจนวทั่งไม่สามารถที่จะพันนนาได้หมดสิ้น รั้นกระทำการแสดงพระพุทธคุณทั้งหลายโดยสรุปอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงความที่พระพุทธคุณเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงคิดเป็นต้นคือเป็นอาจินไต้นั่นเอ ง, เองพระพุทธรัตคีตาจารย์จึงกล่าวว่าอาจินติยาดิตตมุปาคโตโยคุณอันใดที่เข้าถึงความไม่ควรคิดเป็นต้นในคำนั้นคำว่าอาจินติยาดิตตัง ความไม่ควรคิดเป็นต้นไม่คุณคิดในที่นี้หมายถึงว่าไม่ควรคิดโดยไม่แยกคายนะถ้าคิดโดยแยกคลยนี่ก็คิดได้ถ้าคิดแล้วหรือว่ารู้แล้วไตร่ตรองแล้วกล่าวแล้วด้วยความแยบแคลยหรือว่าอมีมีหรือที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าไม่ให้คิดนั่นแหละมีแต่ว่าให้คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากแต่เมื่อคิดไม่ถึงยังรู้ไม่ได้จะทําให้เกิดอกุศลจิตด้วยวิจิกิจชาก็อย่าพึงคิด อย่าพึงรู้อย่าพึงไตรตรองอย่าพึงกล่าวนะความไม่ควรคิดเป็นต้นคือภาวะที่ไม่พึงคิดเป็นต้นได้แก่ภาวะที่ไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงไตรตรองไม่พึงกล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้เข้าถึงด้วยพระคุณเหล่านั้นอันพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลที่ไม่รวมเข้าในสี่ส่วนนี้คือ รู ป, ปรวิราชญาณวิราชวัจนะวิราชอิทธิวิราชย่อมไม่มีก็คือเป็นความเลิ่เลืิอพลิง้งด้วยรูปด้วยยาด้วยวัจนะพระดารัสแล้วก็ด้วยอิทธินะวิราชวิริศมาลาวิจิตบรรจงย่อมไม่มีเลยเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ที่ใครไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงเปรียบเทียบไม่พึงกล่าวแม้ด้วยรูปวิราช เป็นผู้ที่ใครไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงเปรียบเทียบไม่พึงกล่าวแม้ด้วยยาณวิราชแม้ด้วยวัจนวิราชแม้ด้วยอิทธิวิราชจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใครไม่พึงคิดเพราะพระองค์ทรงล่วงพ้นวิสัยแห่งการคิดใครไม่พึงรู้เพราะพระองค์ทรงล่วงพ้นวิสัยแห่งการรู้ใครไม่พึงเปรียบเทียบเพราะพระองค์ทรงล่วงพ้นวิสัยแห่งการเปรียบเทียบใครไม่พึงกล่าวเพราะพระองค์ทรงล่วงพ้นวิสัยแห่งการกล่าว ในคําเหล่านั้นคําว่าอะจินติโยใครไม่ควรคิดนี้อักษรมีเนื้อความว่าเจริญดุจในคําว่าอเสขาธรรมะอะจินติโยในที่นี้หมายถึงคิดแล้วเจริญนะไม่ใช่ว่าไม่ควรคิดอเสขาเหมือนก็ อ, อเสขะนะอเสขะนี่ก็หมายถึงว่าผู้ที่ศึกษาอันเจริญแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ไม่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วพระอรหันต์นี่ก็ยังศึกษาทรงจําได้เหมือนกัน จริงอยู่อันการคิดเรื่องพุทธคุณนี้เป็นความคิดที่ถึงความเจริญแผ่ขยายไปในวิสัยชาวโลกเป็นต้นที่ไม่ควรคิดอันสิ่งที่พึงคิดด้วยจิตที่ถึงความอัศจรรย์ความแปลกใจความประหลาดใจอย่างนี้นอกจากนี้ย่อมไม่มีอีกอย่างหนึ่ง อ, อนนักษรนี้มีเนื้อความปฏิเสธก็ได้พระพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใครไม่พึงถึง คือพึงไปถึงด้วยความคิดหาที่สิ้นสุดมิได้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาจินติโยใครไม่พึงคิดเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่พระพุทธคุณ น, นั้นละเอียดอ่อนยิ่งนักลุ่มลึกคำเพียรภาพกำหนดประมาณมิได้และมิใช่วิสัยมีคำอธิบายว่าเมื่อบุคคลยืนมองอยู่ที่ปากเหวใหญ่ปากเหวนั้นย่อมปรากฏเป็นสถานที่มืดไม่ชัดเจนน่ากลัวมากฉันใด แมพระพุทธคุณทั้งหลายประันนั้นเมื่อบุคคลระลึกถึงอยู่เนืองๆจ อ, อมปรากฏเป็นคุณที่ลุ่มลึกความเพียรภาพมิใช่วิสัยมืดมนน่าเกรงขามมากเพราะความที่พระพุทธคุณทั้งหลายลึกซึ้งความเพียรภาพเมื่อบุคคลระลึกถึงมน ส, สิการถึงพุทธานุสติฌานจึงไม่เกิดจะมีเพียงอุปจารสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรมชาระสูตรว่าปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคต ก็พึงกล่าวได้เพียงเล็กน้อยตามต้อยเพียงเรื่องระดับศีลเพราะมิใช่วิสัยของปุตชชนทั้งหลายนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสพระพุทธานุสติกรรมฐานไว้สำหรับพระอริยะทั้งหลายเท่านั้นโดยนายป็นต้นว่ามหานามสมัยใดยอริยสาวกระลึก ถ, ถึงตถาคตสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะก้มรุม ในพระพุทธคุณทั้งหลายที่ใครไม่พึงคิดอย่างนี้นั้นมีพระคุณที่ไม่ทั่วไปกับพระสาวกเหล่าอื่นเช่นอส า, าธรา 6, ระยานหกภะระยานสิบอเวนิกรรมคือธรรมเฉพาะพระพุทธเจ้าสิบแปดอันอส า, าธรณระคุณเหล่านั้นจะไม่ดำรงอยู่ในสันดานคืออุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิดของสาวกเหล่าอื่นย่อมดำรงอยู่ในพระสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ดุดมันเหลวของสีหะไม่ติดอยู่ในภาชนะที่ไม่ใช่ทองคำก็คุณอย่างอื่นมีฌานผลนิโรธสมบัติและโพธิปักยธรรมเป็นต้นย่อมมีแม้แก่พระเสขะและพระอเสขะทั้งหลายอันหนึ่งคุณอย่างอื่นเช่นฌานอภินยาและศรัทธาย่อมมีแม้แก่ปุถุชนทั้งหลายสำหรับพุทธานุสตินี้พระบุรเจ้าตรัสไว้กับพระริยสาวก ที่จะได้อุปจาระสมาธิก็จริงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าปุถิชนไม่ควรเจริญแม้ปุถิชนก็ควรเจริญเหมือนกันไม่เจริญแล้วแม้ไม่ได้อุปจาระสมาธิก็ย่อมได้รับอนิสง์นา น, นัปการนะมีความปีติปราโมทได้เจริญมากๆ ก, ก, ก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้สมาธิมีกําลังมากขึ้นในข้อนั้นเปรียบเหมือนอาหารมีหญ้าและใบไม้เหลืองเป็นต้นเป็นอาหารทั่วไปแก่โคและกระบือเป็นต้น เข้าไปในท้องช้างที่มีกลิ่นหอมคือช้างตระกูลคันทะก็ยังทรงก็ยังคงมีกลิ่นคันทะก็ยังคงมีกลิ่นคันชาตสี 4, นั่นเองฉันใดแม้คณที่ทั่วไปแก่พระเสขะพระอเสขะและปุ้ดุชนทั้งหลายพอมาถึงพุทธสันดาลแล้วย่อมไม่ทั่วไปฉันนั้นนั่ น, น, นเที่ยวกลิ่นคันชาตสิอย่างก็ได้แก่ กรินตักระก็ได้แก่กิษนากรุงกุมะยาฟันยวนะแล้วก็ตามาละคูณน ะ, อะบอกว่าเป็นกริ่งคันธชาติสี่อย่างการที่บุตรชนทั้งหลายพันานาและคิดพระพุทธคุณทั้งหลายที่ใครไม่พึงคิดซึ่งไม่ทั่วไปอย่างนี้ย่อมเป็นดุจการพยายามใช้ปากยุงเจาะเพชรหากจะถามว่าเมื่อพระพุทธคุณทั้งหลายเป็นอย่างนั้น ปุถุชนก็ไม่พึงคิดไม่พึงพรรณนาพระคุณเห็นปานนี้ใช่ไหมตอบว่าไม่ควรจะเข้าใจเช่นนั้นมิได้กล่าวไว้เพื่อปฏิเสธไม่ให้ปุถุชนพรรณนาไม่ให้ปุถุชนคิดพระพุทธคุณเหล่านั้นแต่กล่าวไวเพื่อจะแสดงความที่พระพุทธคุณทั้งหลายเป็นคุณที่ใครไม่พึงคิดไม่มีข้อเปรียบเทียบและไม่มีทั่วไปเป็นต้นก็ถ้าปุถุชนไม่กล่าวไม่ระลึกถึงพระพุทธคุณ เขาจะพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏได้อย่างไรจะไปตูปฝั่งแห่งพระนิพพานด้วยหวนทางไหนจะเจริญด้วยศรัทธาจะเจริญด้วยศีลสุตตะจาระปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ไม่มีหรอกนะที่พระสาวกทั้งหลายเนี่ยจะไม่คิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ที่เป็นบุรุษชนปฏิบัติตนเพื่อทจะเป็นพระสาวกจะไม่คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีหรอกนอกจากเข้าใจผิดนะ ก็พระเสขาและพระอาเสขาทั้งหลายจาระระลึกถึงพระพุทธคุณก็ตามไม่ระลึกถึงก็ตามแต่กระยาณปุตรชนพึงระพึงระเรื่องที่เหลืออื่นๆความฟุ้งซ่านบางอย่างแล้วฟังพระพุทธคุณทั้งหลายด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดพึงกระทําให้กล้องแคล้วพึงเรียนพึงสอบถามพึงเจริญพึงกระทําไว้ในใจก็เมื่อกระยาณาบุตรชนกระทําอย่างนี้ย่อมเจริญด้วยศรัทธา ย่อมเจริญด้วยศีลสตะจาคะปัญญาในเรื่องนั้นมีข้ออุปมาดังต่อไปนี้ช่องภายในมเมล็ดพันธักกาศก็ดีหม้อน้ำก็ดีอ่างก็ดีตุ่มก็ดีที่ถูกโยนลงมหาสมุทรย่อมรับน้ำพอประมาณของตัวเท่านั้นจะรับน้ำมากจนหมดมหาสมุทรไม่ได้ฉันใดปุถุชนเป็นต้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมรับพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นพอประมาณแห่งปัญญาของตนของตนจะรับจนหมดพระคุณไม่ได้จริงอยู่เมื่อบุคคลระลึก ถ, ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นแม้ประมาณน้อยย่อมบรรลุสำ ม, มาสัมโพธิได้ตามลำดับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนจุนทะเราตถาคตกล่าวว่าแม้เพียงเกิดความคิดขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลายก็มีอุปการะมาก ไม่จำต้องกล่าวถึงการจัดแจงด้วยกายด้วยวาจาอันนี้ก็กล่าวไว้ในมัชมันกายมูลพนาสันเลขสูตรนะแค่จิตตุ บ, บาทเกิดขึ้นก็มีผลนียสงมากแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการจัดการด้วยกายด้วยวาจาก็ยิ่งจะมีผลเนียในสงหาที่เปรียดไม่ได้เลยถามว่าเหมือนอะไรตอบว่าเหมือนบุคคลพอได้ฟังว่ามีมหานทีแห่งหนึ่งลึกประมาณนี้ได้ มีคลื่นซัดแรงยังลงไม่ได้ก็สะดุ้งกลัวคิดว่าเราจะใช้หม้อใบเล็กนี้ตักน้ำทั้งหมดนั้นไปได้อย่างไรจึงไม่ไปไม่ยังลงบุคคลนั้นย่อมเสียผลประโยชน์จากการใช้น้ำร่างกายก็เลยไม่ได้อาบน้ำให้สะอาดส่วนบุคคลได้ฟังว่าส่วนบุคคลใดได้ฟังว่าในมหานทีมีน้ำน้อยจึงไม่สะดุ้งกลัว คิดว่าเราจะได้น้ำมากรีดถือหม้อไปยังลงสู่มหานาทีอาบดื่มกินความกระวนกระวายระงับไปเล่นน้ำแล้วก็ตักน้ำไปเต็มหม้อเราทำกิจที่ต้องใช้น้ำร่างกายก็สะอาดมีความสบายกัญยาณะปุถิชนก็เหมือนกันไม่พึงเป็นเหมือนบุรุษขี้คลาดเกียดคร้านคิดว่าพระพุทธคุณทั้งหลายกาหนดประมาณนีได้ เราจะใช้ปัญญาน้อยนิดของเราอย่างลงได้อย่างไรเพึ่งเป็นเหมือนบุรุษผู้กล้าไม่สะดุ้งกลัวนั้นยังลงสู่สาครคือพระพุทธคุณชัระมณทินที่มีอยู่ในจิตสันดานด้วยปีติซึ่งมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์นับความกระวนกระวายคือกิเลสแล้วเรียนจำพระพุทธคุณแต่ละบทแต่ละบทเล่นพระคุณโดยนยเป็นต้นว่าอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมบูทโธ วิชาจารณาสัมปนโนสุกโตโลโกวิดโด อ, อนุตโรโปุริสธรรมสารติสัทเดวะมนุษานางบุตโธภควาตี้พระเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระระหันต์เป็นต้นเรียนจำพระคุณข้อหนึ่งพอประมาณแกปัญญาของตนยังอุปจารสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วถ้าสามารถนะ เจริญวิปัสสนาซึ่งมีสมาธินั้นเป็นพัฒฐานพึงบรรลุความบริสุทธิ์ได้ส่วนหนึ่งแห่งมหาสมุทรที่บุคคลเห็นแล้วชื่อว่าเป็นอันเห็นมหาสมุทรชันใดเมื่อบุคคลระลึกถึงพระพุทธคุณที่ปรากฏแม้ปรากฏแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยหนึ่งเหนืองก็ย่อมเป็นผู้มีพุทธานุสติย่อมบรรลุประโยชน์ตนมากแม้อาหารมีหญ้าและใบไม้เหลืองเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้าไปในท้องช้างที่มีกลิ่นหอมก็ยังคงมีกลิ่นคันดัชชาสี 4, นั่นเองฉันใดแม้ปุ้ดิชนคนใดคนหนึ่งก็ฉันนั้นเข้าไปสู่ท้องช้างที่มีกลิ่นหอมคือพระพุทธเจ้าผู้ตรงมีกลิ่นแห่งพระคุณที่ฟุ้งขจรแม้ด้วยเพียงระลึกถึงย่อมเป็นผู้มีกลิ่นหอมนั่นเทียวเป็นผู้ที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกบูชาย่อมบรรลุโพธิสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ สาวกะโพธิปเจกะโพธิหรือว่าสัมมาสัมโพธิสำหรับช้างตระกูลคันทะคันทะคันทะแปลว่ากลิ่นหอมนะช้างตระกูลคันทะนี่ก็อยู่ในช้างสิบตระกูลนะก็ได้แก่ช้างอะไรบ้างช้างกาลาวกะอันนี้ก็เป็นช้างปกติธรรมดาช้างคังเคยะช้างปันทะปันทะ ช้างต่ำทะช้างปิงคละช้างตะกูลคันทะนี่เป็นตระกูลที่หกนะช้างมังคละช้างเหมะช้างอุปโสะะแล้วก็ช้างที่มีกําลังสูงสุดก็เรียกว่าเรียกว่าช้างฉัตทันตะนะก็มีแสดงอย่างนี้นะว่ากําลังของช้างตระกูลกาละวกะหนึ่งเชือกเนี่ยกําลังเท่ากับกําลังกายของบุรุษสิบคนเป็นช้างคงจะตัวไม่ใหญ่มากนะเป็นช้างปกติธรรมดาก็กําลังเท่ากับบุรุษสิบคน ส่วนช้างคังเคยะหนึ่งเชือกเนี่ยเท่ากับช้างกาละวกะสิบเชือกเท่ากับบุตรร้อยคนนะสิบเท่าเลยช้างปันดระหนึ่งเชือกเท่ากับช้างคังเคยะสิบเชือกก็เท่ากับบุรตรพันคนช้างตัมพระหนึ่งเชือกเท่ากับช้างปันดระสิบเชือกก็เท่ากับบุรุษหมื่นคนนะช้างปินคะระหนึ่งเชือกเท่ากับช้างตัมพะสิบเชือกเท่ากับบุรตรแสนคน ช้างคันธะหนึ่งเชือกเท่ากับช้างปิงคละสิบเชือกนะหอ้เท่ากับสิบแสนเลยนะเนี่ยช้างคันธะนี่กำกำลังเท่ากับสิบแสนคนช้างมังคละหนึ่งเชือกเท่ากับช้างคันธะสิบเชือกเท่ากับบุรุษรนะ้อยร้อยแสนคนนะสิบล้านเลยแหละกําลังช้างตระกูลเหมะหนึ่งเชือกเท่ากับช้างมังคระสิบเชือกนะเท่ากับกําลังของบุรุษ หนึ่งพันล้านช้างอุปโปสถฐานหนึ่งเชือกเท่ากับช้างเหมะสิบเชือกเท่ากับกาลังของบุรุษเท่าไหรหมื่นล้านนะหมื่นล้านเลยนะ่ะช้างฉัดทันฉัดทันตะหนึ่งเชือกเท่ากับช้างอุโบสถสิบเชือกก็มีกําลังเท่ากับบุรุษหมื่นล้านนะเลขกี่ตัวเนี่ย ศูนสะิบตัวนะศูนยิบตัวนะหมื่นล้านคนช้างฉัตทันตะตัวเดียวเนี่ยเท่ากับกําลังของพรบุตรหมื่นล้านเท่ากับช้างช้างปกติธรรมดานี่พันล้านตัวนะมันก็พระพุทธเจา้านี่มีกําลังมหาศาลในนี้ก็เรียกว่าเป็นกําลังของพระบุรษุษของมหาบุรุษนะ เป็นกำลังกายของพระพุทธเจ้าในเรื่องนั้นจะขอตั้งปัญหาดังต่อไปนี้ปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคาถามเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามี12ข้อด้วยกันก็คือพระรูปของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างไรความวิราชแห่งพระรูปนั้นเป็นอย่างไรความที่พระรูปวิราชนั้นใครไม่พึงคิดเป็นอย่างไร สามข้อเกี่ยวกับรูปนะต่อไปสามข้อเกี increase, um ่ยวกับพระญาณพระญานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างไรความวิลาศแห่งพระยานนั้นเป็นอย่างไรความที่พระยานวิลาศนั้นใครไม่พึงคิดเป็นอย่างไรแล้วก็ต่อไปก็เป็นพระวจนะวาจาของพระองค์พระวาจาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างไรความวิลาศแห่งพระวจนะนั้นเป็นอย่างไร ความที่พระวจนะวิราชนั้นใครไม่พึงคิดเป็นอย่างไรต่อไปก็เป็นพระฤทธิ์อีกตามข้อพระฤทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างไรความวิราชแห่งพระฤทธิ์นั้นเป็นอย่างไรความที่พระฤทธิ์วิราชนั้นใครไม่พึงคิดเป็นอย่างไรนี้รวมเป็นปัญหาสิบสองข้อก็คือเกี่ยวกับพระรูปกายสามพระญาณสามพระวจนะสามแล้วก็พระฤทธิ์สามนะ ปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดรวมกับบทอเวดิตะหมายถึงใครไม่พึงรู้เป็นต้นอีกก็เลยรวมเป็นปัญหา48ข้อ อ, อ่48ข้อจะขออิสัชนาปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดคือปัญหาว่าพระรูปของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างไรคือพระวรกายที่ประดับด้วยพระมหาปุริสลักษณะ32ประการ พะอนุพ ย, ยัญชนะแปรติปการพระเกตมาลาที่เปร่งพระรัศมีออกวาหนึ่งชื่อว่าพระรูปพระรูปนั้นจะมีแจ้งโดยพิษดานขั้งหน้าคือทางมหาบุรุษลักษณะสามสิสองการแล้วก็อนุพ ย, ยัญชนะแปรติการอย่างละเอียดเลยอ่าซึ่งก็ความวิรายของพระรูปนั้นก็จะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็สมควรใจเวลาก็ไขท่านทั้งหลายได้ จั tha ธธได้ปีติปราโมทในการฟังคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่หาคุณเปรียบไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถจะมาเปรียบคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ในพระคุณจะได้น้อมไปในพระคุณเหล่านั้นจั tha ปีติปราโมทกุศนทั้งหลายจะได้เจริญในจิตใจของท่านเพื่อน้อมไปในมรรคนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายได้ผลทุกข์ก็ไขท่านทั้งหลายได้ประบสบกับโอกาสในการพ้นจากวัตฏทุกโดยทั่วคันเทิญ สาธุสาธุสาธุ